หนะัวข้อการบรรยายในวันนี้คนะือเรื่องการเติมพลังให้ชีวิตด้วยธรรมะนะเวลาพูดถึงคำว่าธรรมะเนี่ยเราก็อาจจะกลิ่นเกรงกันนะว่าธรรมะนี่เนี่ยมันคืออะไรนะแลวก็อาจจะรู้สึกว่ากายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมา ไม่แน่ใจว่าเอทุกวันนี้นี่เราได้เข้าใกล้ธรรมะมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะาธรรมะเนี่ยมาเติมพลังชีวิตให้แก่เราได้อย่างไรแต่ตระมาคิดว่าธรรมะนี่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่แล้วแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะมี มีพลังให้แก่ชีวิตโดยสายธรรมะอยู่แล้วยกตัวอย่างง่ายๆคือว่าหลายท่านเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีภารกิจที่เหนื่อยยากโดยเฉพาะการเลี้ยงดูลูกหลานแต่ว่าก็มีพลังที่จะเลี้ยงดูลูกหลาน อย่างไม่เห็นแก่นเหน็ดเหนื่อย ท, ท, ทั้งๆที่ถ้าหากเป็นคนอื่นก็คงจะไม่มีเดี่ยวมีแรงที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีอย่างที่ท่านทำอยู่เวลานี้แต่ที่ท่านทำได้อย่างมากมายเพราะอาศัยพลังแห่งความเมตตาความเมตตาความรัก ในลูกหลานทำให้ท่านเนี่ยได้ทำงานดูแลลูกหลานอาจจะตื่นตั้งแต่ตีสีตี 3, ขึ้นมาเพื่อที่จะทำมาหากินจนกระทั่งกว่าจะได้หลับได้นอนก็อาจจะถึงเที่ยงคืนแต่ที่ทำได้ก็เพราะว่าความพ่วงหาอาไล ความรักในลูกหลานอยากจะทำมาหากินเพื่อที่จะทำให้ลูกหลานจะมีอนาคตนั่นแหละคือพลังที่มาจากธรรมะแล้วเพราะว่าความรักความเมตตานี่ก็ถือว่าเป็นธรรมะอย่างหนึง่งเมตตาต่อลูกหลานก็ทาให้มีพลังที่จะทำงานได้อย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก นะอันนั้นแหละคือพลังที่มีอยู่ในตัวท่านแล้วคือพลังที่เกิดจากธรรมะในตัวท่านเพราะเมื่อเรามีความรักความเมตตาแล้วเราก็ไม่มีความเห็นแกนตัวหรือเห็นแก่ตัวน้อยลงเรานึกถึงผู้อื่นมากขึ้นด้วยที่แม่หรือย่าหรือยายอาจจะรวมถึงพ่อ นะหรือว่าปู่และตาเนี่ยโดยเฉพาะนะพ่อแม่เนี่ยนะสำคัญพระพุทธองค์ได้เรียกว่าพ่อแม่นี่เป็นอรหัน์ของลูกนะนะก็เพราะว่าอาศัยพลังแห่งเมตตาธรรมนี่แหละเพเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เช่เห็นว่าธรรมะเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือว่าเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนนอะไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่กับตัวท่านอยู่แล้วนะด้วยเพราะพลังแห่งความเมตตากรุณาซึ่งก็ไม่ได้มีอยู่ในแม่หรือว่าพ่อหรือว่าย่ายายเท่านั้นอาจจะมีอยู่ในตัวท่าน ในฐานะที่เป็นพยาบาลในฐานะที่เป็นพี่ในฐานะที่เป็นน้องก็ได้ท้ศีลนะธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ อ, อยู่กับเราแต่ละคนอยู่แล้วนะที่จริงไม่ใช่แค่เมตตากรุณาเท่านั้นนะที่สามารถเป็นพลังบันดาลใจให้แก่เราได้ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะมีพลังอยู่หประการเรียกว่าพละหา้าอันหนึ่งก็คือศรัทธาเวลาเรามีศรัทธาในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะก็ทำให้เรามีกำลังใจศรัทธานี้ก็ไม่จะเป็นต้องหมายถึงศรัทธาในในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนะแต่หมายถึงเรามีความมั่นใจ ว่าสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยมันดีงามก็ทําให้เรามีกําลังใจและยิ่งคนที่เป็นคนป่วยประสบความทุกข์ทำไมถึงไปหาพระทําไมถึงไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่ามีศรัทธาในสิ่งนั้นแล้วก็ศรัทธาในสิ่งนั้นแหละก็สามารถจำบรนดาลให้มีกําลังมีความหวัง คนที่ป่วยหนักนะแต่ว่าพอได้ไปทําบุญพอได้ไปทําบุญหรือว่าหรือได้ฝากให้พ่อแม่ไปช่วยทําบุญหรือแม่กระทั่งไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดอาการดีขึ้นมานะอันนี้ก็เรียกว่าศรัทธา อันนี้คือศรัทธาที่เป็นพลังนะคนเราต้องมีศรัทธานะและถ้าเรามีศรัทธาที่ดีงามที่สูงส่งมากขึ้นนะก็จะทำให้มีกาลังใจนะทุกท่านที่เป็นพยาบาลก็คงทราบดีแล้วว่านะเวลาผู้ป่วยเนี่ยเขามีอาการหนัก สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะช่วยเขาได้คือว่าเพิ่มบุญศรัทธาหรือว่าสนองศรัทธาเขาดยเพราะการที่เขาได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลก็ทำให้ใจเขาเนี่ยสงบลงและเขาอาจจะอาจจะหายได้เร็วขึ้นเวลานี้เนี่ยใน อเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยขาได้มีการทำวิจัยแล้วเขาพบว่าคนที่สวดมน์เนี่ยนะไม่ว่าในาศาสนาใดก็ตามคนที่สวดมน์เนี่ยมีโอกาสที่จะหายหรือฟื้นจากการเจ็บป่วยหรือจากการผ่าตัดเนี่ยได้ไว กว่าคนทั่วไปแต่ก่อนเนี่ยแพทในอเมริกานี่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เขาเชื่อในเรื่องของเทคโนโลยีเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็เห็นว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันงมงายเป็นเรื่องจิตใจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายแต่ปรากฏว่า ตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลชั้นนนในอเมริกาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ส่งเสริมหรือ ส, สนับสนุนให้คนป่วยได้มีโอกาสสวดมนตนะ์เช่นจัดห้องสวดมนต์ให้เป็นต้นนะแล้วก็พบ ว, ว่าวิธีนี้เนี่ยมันดีกว่าการใช้ยาด้วยซ้ำ เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เ ป, เปลืองเงินการใช้ยาละงับปวดการใช้ยาเพื่อที่จะช่วยสมานแผลและช่วยฟื้นไข้เนี่ยสิ้นเปลืองมากแล้วก็ท่านเงาของศาสตร์อยู่แล้วว่าในอเมริกาเนี่ยตัวเลขในการใช้จ่ายเกี่ยื่องการแพทย์เนี่ยสูงมากเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศของระบบสาธารณสุขในอเมริกา แต่ว่าพอมาใช้นโยบายที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยได้มีโอกาสสวดมนต์สุขภาพก็ไม่ได้เลวร้วายไปกระเดิมมันดีขึ้นด้วยแล้วก็ลดงบประมาณของโรงพยาบาลไปได้เยอะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเขาตื่นเต้นกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยส่งเสริมให้มีการสวดมนต์และการทำสมาธิด้วย เรื่องสมาธินี่มันเป็นพลังอันที่อันที่อันต่อไปที่จะกล่าวถึงแต่เฉพาะเรื่องศรัทธาเนี่ยนะมันเป็นพลังชีวิตได้อ น, นี้เราก็ต้องคิดว่าเลยเราจะมีศรัทธาเรื่องอะไรในทางพุทธศาสนาเนี่ยศรัทธาที่สําคัญก็คือศรัทธาในพุทธศาสน า, าในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์รวมทั้งศรัทธาในความดีที่ได้ทำก็คือศีล อันนี้เนี่ยเป็นเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะเวลาพุทธจารย์เนี่ยจะแนะนำช่วยเหลือคนที่ใกล้าตา ย, เ, ยเป็นอุบาสกก็ตามเป็นอุบาสิกาก็ตามเนี่ยอย่างเทีีคาวุอุบาสกเทคาวุอุบาสกนี่ก็ป่วยหนักพระพุทธเจา้าก็เสด็จมาแล้วก็ท่านก็นานำนำจิต เื่อให้ทีคาวุธเนี่ยได้น้อมตามพระองค์ก็จะพูดถึงเรื่องของการมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลมั่นใจในศีลที่ตัวเองมีการระลึกเช่นนั้นเนี่ยก็ทําให้ทีขาวุบาสงเนี่ยก็สามารถที่จะทําใจให้สงบได้แล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อสิ้นลมนะก็ได้ไป ผู้เจ้า ก, าก็เผยคอนหรือได้บอกว่าที่ข้าวุ้นนั้นได้เป็นภาริยเจ้าแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ศรัท ธ, ธาเป็นพลังซึ่งก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในยามป่วยในยามไข้เวลาที่เราทำงานถ้าเรามีศรัท ธ, ธาว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยเพราะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะทำให้เรามีพลัง ก็มีเรื่องเามีมีเรื่องเกี่ยวกับคนสามคนนะซึ่งทำงานเหมือนกันเลยก็คือทำงานก่ออิฐคนแรกเนี่ยนะก่ออิฐก็ก่อแบบเฉยเงนื่อยนะก่อไปก็ดูนาฬิกาไปนะเหมือนกับว่าทำแบบสังกตาย คนที่2ก็ดูดีขึ้นหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ต่างจากคนแรกมากนะก็คือว่าไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร่คนที่3นี่กลับกระฉับกระเฉงนะแล้วก็ทำงานด้วยความเข้าคร่อนงะเหงือก็โซมนะเหงือก็ออกมานะแต่ว่าท่าทางก็ดูยิบแย้มแจ่มใส ไปถามคนแรกว่าคนแรกทําอะไรอยู่เขาบอกเขากาลังก่ออีกคนที่สองนะ่ะทำอะไรเขาก็ตอบว่าเขากําลังก่อกำแพงคนที่สมก็ถามคำถามเดียวกันนะถามคำถามคนเดียวกันคนที่สามว่าทาอะไรเขาบอกว่าเขากําลังสร้างวัดทํางานเหมือนกันแต่ตอบไม่เหมือนกันนะคนแรกบอกก่ออีกคนที่สองบอก Teacher, อ ก, ก่อกําแพงคนที่สาบอกสร้างวัด คนที่3เนี่ยนะพอเขาคิดว่าศีลนี้เขาทำเนี่ยคือการสร้างวัดศรัทธาที่เขามีต่อวัดนี้ก็ทำให้เขาทำงานนะด้วยความประชับระเชงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคนไทยเราก็เรื่องการทำบุญทำบุญสนเรื่องการเรื่องวัดวารามก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็สามารถที่จะทำด้วยความ กระตือรือร้นไดนะ้ในขณะที่คนที่หนึ่งที่2ก็ทําแบบเฉยเหนือยนี่เป็นเรื่องของศรัทธานะแต่ทีนี้เราไปศรัทธาอะไรฮะเราไปศรัทธาเงินนะเวลาเราไปวัดนี่เราไปเราเราคิดถึงอะไรเนะีนะ่ยเราก็อยากจะฮะถูกหวยโดยเบอร์ไนปะนี่เราศรัทธาเรื่องเงินนะเราไปวัดนะ เมื่อ 2-3 งที่ก่อนไปวัดก็เพราะว่านะมีเลข88ในชะก็ไปแค่นั้นแหละเนะจ้าวาดทั้งเจ้าวาดก็ดีด้วยเพราะเงินเข้าวัดเยอะเดือนละ14ล้านนะเด๋ยวนี้เนี่ยเราไปวัดเพราะเหตุนี้เวลาเราไปหารุปพ่ครูเราอยากได้อนะไรฮะอยากห้ท่านเสกเปล่าว่าขอให้นะบ้านนี้อยู่แล้วรวย เป็นสุขหรือไม่เป็นสุขเราไม่เราไม่สนใจนั้นากขวายรวยซะก่อนหรือควายรวยควายรวยดีแล้วไม่สนใจว่าเป็นสุขหรือเปล่านกะารที่เราศรัทธาในเรื่องเงินเนี่ยนะมันทําให้ใจร้อนใจเนี่ยเกิดความร้อนเพราะว่าเงินนี่มันไปปลุกรา้าโลภะและตัณหานะซึ่งมันต่างกันสัสัศรัทธาโดยว่าศรัทธาเนี่ยเวลาเราศรัทธาในสิ่งที่ดีงามในใจมันอิ่มเอิบนะอยากที่จะให้นะ คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนนี่เราให้เราพร้อมที่จะให้เรามีแรงเบิกตันใจที่จะให้เพราะศรัทธาศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในความดีงามแต่ถ้าเรามีไม่มีศรัทธานะเรมีตัณหามาแทนเนี่ยมันอยากจะเอามันอยากจะเอาเข้าตัวเยอะๆแล้วคนเรานะยิ่งเอามาเท่าไหร่ความนี้จะตัวยิ่งมากตัวตนยิ่งใหญ่โต แล้วเมื่อตัวตที่ใหญ่โตแล้วเนี่ยมันก็ถูกกระทบง่ายนะมีอะไรมากระทบก็เป็นทุกข์ได้ง่ายไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะแค่มองหน้ากันเนี่ยก็ถือว่าไม่ไว้หน้ากันละนะอันนี้มันเป็นเรื่องของหน้าตาซึ่งทางพุทธศาสนาทำพุทธละด้อยมานนะ มนนานะนี่ไม่ใช่มานะพยายามมานะมนหนามายถึงเรื่อ ง, องความความถือตัวมันคู่กันนะกับตัณหากับมานะอันนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีตัณหาน้อยลงมีศรัท ธ, ธามากขึ้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะมีพลังที่จะทําความดีเราจะมีพลังในการที่จะทํางานไม่ต่างจากแม่เนี่ยว่ามีเมตตามีความรับต่อรูกแล้วก็มีเกลียวมีแรงที่จะทำงานได้มากมายนี่ประเด็นที่หนึ่งนะคือศรัท ธ, ธา ปรนที่สก็คือสมาธิสมาธินี่ก็เป็นพลังอย่างที่อาจามาบอกไว้แล้วว่าเวลานี้ในในเมือง น, นอกเนี่ยหรือโรงพยาบาลชั้นนำเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้คนป่วยเนี่ยได้ทําสวดมนต์ที่จริงไม่ใช่แค่สวดมนต์นะสมาธิด้วยและที่สำคัญคือว่าเวลานี้บริษัทใหญ่ๆ ใ, ในอเมริกาที่มียอดการทํา การทำไรายได้สูงเช่นบริษัท Apple ิลบริษัทอปที่คนรู้จักนะที่ทำทำไอแมคทำคอมพิวเตอร์ m ม c Intosh หรือว่าเครื่องเล่น iPod a p อ l e หรือว่าบริษัทอย่างโยคูนะหรือว่าบริษัทอย่างอเมริกัน Express ซึ่งเป็นบริษัทเครดิตการ์ดอีกมากมาย แตมาพึ่งอ่านเมื่อเชา้านี้เขาบอกว่ารานนี้ริษัทรานี้เนี่ยส่งเสริมให้พนักงานทำสมาธิเป็นประจำบางแห่งเนี่ยทำวันละสองครั้งครั้งละยนาทีก็คือก่อนก่อนคือตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายวันละ20นาทีเท่านั้น แล้วปรากฏว่าหลังจากทำไปได้สักไม่ถึงปีเนี่ยคนขาดงานน้อยลงความเครียดน้อยลงผลิตภาพหรือว่าผลผลิตของงานเนี่ยมันดีขึ้นเนอา ต, ตมาไ ม, ไม่ไม่เตรียมภาพของคนของฝรั่งอเมริกันเวสติงเวลนี้เขาสอน คนนี้ส่งเสริมให้ทำสมาธิกันตามสำนักงานบางทีก็มาทำกันนั่งสมาธิกันบนสนามหญ้าแต่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆก็ในห้องประชุมสมาธิเนี่ยสมาธิคืออะไรสมาธิไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาแต่หมายถึงความความสงบความสงบเพราะเมื่อสงบแล้วจิตก็ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตก็เครียดน้อยลงเมื่อเครียดน้อยลงแล้วเนี่ยก็ ทำงานได้ดีขึ้นนะสมาที่บ า, บางทีเขาก็เปรียบเสมือนกับแวดขยายนะแสงปกติแสงแดดปกติเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีพลังแต่ว่าพอใช้แว่นขยายแว่นขยายจะทำหน้าที่รวมรวมแสงแดดให้มันลงให้มันรวมที่จุดเดียวกัน จนกระทั่งสามารถที่จะไหม้กระดาษทำให้กระดาษนี้ลุกเป็นไฟได้สมาธิที่ธมาที่นั้นคือทำให้จิตมีพลังเพอะจิตมีพลังแล้วเนี่ยจิตก็จะไปทำงานต่า ง, างๆได้แต่คนเห่านี้ไม่เข้าใจนะพอจิตมีพลังแล้วก็นึกลฝันดีหรือเปล่าเพราะเอาเอ า, เอาพลังจิตนี้ไปใช้ในเรื่องของการดูเลขดูหวย หรือว่าทําในสิ่งที่มันเป็นเหนือสามมันแต่จริงแล้วในพลังสมาธิเนี่ยสามารถจะทําให้เรามีพลังที่จะทํางานต่างๆได้ดีนะแล้วก็เครียดน้อยลงเวลานี้คงทราบดีแล้วนะครับว่าคนคนไทยเราเครียดกันมากนะคนไทยเราเครียดกันมากและความเครียดส่วนนึงก็เกิดจากตัณหานะอยากได้ นะยิ่งอยากได้ยิ่งเครียดเยอะเวลานี้เรามีโรคชนิดหนึ่งซึ่งแพร่ระบาดยิ่งกว่ายิ่งกว่าโลกเอชนะแล้วก็อันตรายน่ากลัวกว่าโรคเอชด้วยหรืออาจจะน่ากลัวกว่าโรคกวัดมกซึ่งกำลังลามไปทั่วโลกโรคนั้นคือโรคอยากรวยนะโรคอยากรวยนี้เป็นเงินเั่วโลกนะแล้วก็ทำให้ป่าถูกทาลายแม่น้ำเน่าเสีย นะทำให้เด็กเนี่ยถูกหลอกไปอ ย, อยู่ในโรงงานนรกนะทำให้มีการคอร์รัปชันกันมากมายนะและทำให้คนที่เครียนดะทำให้คนที่เครียดกันมากอันนี้ก็เพราะว่าตันหานะหรือว่าความถือตัวที่ละามานะนะอยากเด่นอยากดัง อันนี้คนในคนในโลกตอนตกเป็นเงินมากนะซึ่งทำให้เป็นโรคประสาทกันเยอะค่าตัวตายก็มากแต่ว่าพอกาเอาพอก็ามาฝึกทำสมาธิแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมพุทธศาสนาในในตอนตกเนี่ยถึงเป็นที่นิยมเวลาอาตมาเคยไปมี มีประสบการณ์อยู่ช่วงหนึ่งในประเทศในวัดไทยในวัดพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษก็แทบทุกปรเทิเนี่ยก็จะมีเด็กนักเรีย น, นมามาเรียนสมาธิจากจากพระซึ่งส่วนให ญ, ญ่เป็นชาวตะวันตกเป็นพระชาวอังกฤษพระชาวสวิสชาวเยอรมันแต่ไม่ใช่เด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ก็มาอยู่กับเด็กนี่มาแค่วัน หรือว่าครึ่งวันแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมากันอาทิตย์หนึ่งบางทีก็2 อ, อาทิตย์มาปฏิบัติธรรมแ ล, แล้วคนเหล่านี้บางทีก็กนักถือาศาสนาอื่นนะหรือไม่มีาศาสนาเดําแต่เขาเห็นว่าสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์มีพลังอามารย์ได้พูด2 อ, อย่างนะฮะพลังห้าเนี่ยศรัทธาสองสมาธิ3ความเพียรวิริยะความเพียรนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่า มันมีพลังนะมันมีพลังที่จะเอาชนะอุปสรรคได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเองว่าบุคคลนี้ร่วงทุกได้เพราะความเพียรนะพระพุทธเจ้านี่ก็เต็มไปด้วยความเพียรมากแม้ว่าจะล้มเหลวแม้ว่าจะล้มจะผิดพลาดบำเพ็ญทุกกยุกกิริยา ม, มาหกปีนะก็ไม่สําเร็จแต่ว่าก็ไม่ลดละความพยายามนะมีความเพียร มีความเพียรเพราะว่า เ, เราเพราะว่าเชื่อนในเรื่องของเชื่อนในเรื่องของกรรมคนร้อนเนีถ้าเชื่อนในเรื่องของกรรมอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะทำให้เรามีความเพียรนะเพราะกรรมนี่กฎแห่งกรรม็จะบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าอยากทำอยากได้ดีก็ทำความดีทาความดีนี่รวมไปถึงการมีใช้ความเพียร นะด้วยแต่กฎแห่งกรรมเวลานี้มันทําให้คนไทยเนี่ยกลับไม่มีความเพียร น, นะตรงกันข้ามเลยนะกฎแห่งกรรมตามหลักพุทธศาสนาจะต้องทําให้เรามีความเพียรมากขึ้นเพราะว่าเชื่อมั่นในอํานาจของกรรมเมื่อเราเชื่อมั่นในอํานาจของกรรมว่าถ้าเราทําดีแล้วมันต้องได้ดีเหมือนกับถ้าเราปลูกมะม่วงแล้วเนี่ยยังไงต้นมะม่วงเนี่ยมันก็ต้องออกมาแล้วก็ให้ผล ถ้าเราเอาดูแล้วใจใสด่ดีอันนี้คือกฎแห่งกรรมแต่กฎแห่งกรรมเวลานี้เนี่ยเราไปเข้าใจว่ามหมายถึงเรื่องของชาติที่แล้วอดีตชาติที่อยากจนทุกวันนี้ก็เพราะอาดีตชาติก็เลยไม่มีความเพียรเพราะรู้สึกว่ามันถูกลิกขิดเอาไว้แล้วนะถูกลิกขิดเอาไว้แล้วด้วยกรรมในอดีตชาตนะิหรือบางที อยากจะรวยขึ้นมาก็ไม่ต้องทำก็ไม่ทำอะไรเอาแต่เอาแต่ซื้อหวยเอาแต่เอาแต่ไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ประกอบความเพียรด้วยตัวเองหรือบางทีก็เอาแต่ทำบุญแต่ทำบุญที่เขาที่ทาก็คือการไม่ต่างจากบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ต่างจากการบูชายัญของศาสนาพราหมณ์บูชายัญคือว่า อยากจะให้พระเจ้าโปรดปรานก็ข่าสัตว์ไปไปไปเส้นให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะให้ท่านบุบรรดาให้ได้สิ่งที่ต้องการเดียวนี้เราคนไทยเราทำบุญแบบนั้นทำบุญไม่ต่างจากการไปเส้นสังวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างศาสนาพราหมณ์นะคือทำบุญเพราะหวังผลแล้วก็ไม่ทำอะไระ คือทำบุญแล้วเนี่ยเราเราทำความเพียรไปด้วยขยันมันเพียรไปด้วยไม่นะเดี๋ยวนี้เราไปเราไปเชื่อนะเรื่องของอบายมุกเรื่องของการพนันมากเนี่ยก็เพราะเราไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเราไปเชื่อเราไปเชื่อว่าถ้าเราไปทาเล่นอบายมุกแล้วเนี่ยเราจะมีโชคเพราะว่าเราได้อ่าไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราไปอ่าขอสารพระพรหมแล้วสารเอราวัณแล้ว แล้วเราก็เลยกล้าที่จะไปเสี่ยงโชคด้วยการเล่นการพนันหวยหรือแม้กระทั่งบอลโลกทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการไม่ใช่เรื่องความเพียรหวังทางรัดหวังทางรัดและที่คอรับเช่นกันมากนี่ก็เพราะอยากจะรวยทางรัดไม่ใช่จะรวยเพราะความเพียรของตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันต่างจากในต่างประเทศอย่างใ น, ในยุโรปอเมริกามาก เราจะบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่วัตถุนิยมนะเห็นเงินอยากเป็นใหญ่นะแต่ว่าเขาเนี่ยนะถือแม้เขาอยากได้เงินแต่เขาก็ลงมือทำด้วยความเพีย ง, งตัวนะไม่ต้องมาคอยบนบานสิ่งศักด์สิ์อ้อนวอนเทพยาดาฟ้าดินหรือว่ารวยทางรัดด้วยวิธีการาซื้อหวยเพื่อหวังจะรวย ทางรัดหรือว่าเล่นการพันันซึ่งเป็นปัญหาของคนไทยเวลานี้มากนะานีเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งบอลโลกนี่ก็ปรากว่าจนกันไปเยอะเลยนะจนกันไปเยอะเด่นมีการรับจำนำโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเล่นบอลโลกแล้วเนี่ยไม่มีเงินก็แล้วโทรศัพท์มือถือไปจำนำ นะกลายเป็นขานนิ่มหรือเป็นกระแสนึ่งเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีความเพียรนะฮะเราจะเราจะมีพลังที่จะทำให้มีกำลังใจที่จะทำสิ่งต่างๆ ม, มากมายและวิริยะหรือความเพียรนะั้นส่วนก็ได้มาจากศรัทธานะประการที่4นะฮะก็คือการมีสตินะสติ สตินี่ก็ถือเป็นพละอันหนึ่งคนะือถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยนะคนที่เฉยเนื่อยนะคนที่เฉยคนที่เนื่อยเนี่ยถ้ามีสติแล้วเนี่ยก็จะกระตื อ, อลือร้นเพราะสติคือความรู้ตัวความระลึกไดนะ้คนที่ไม่มีสติเมื่อคนงัวงเงียเพิ่งตื่นนะนะคนที่สลุมสลือมันก็ไม่เคยอยากจะทำอะไรจมอยู่ในความง่วง แต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เรามีมีเมื่อคนที่ตื่นหายง่วงก็สามารถทำงานทำการต่างๆได้สติเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแรงผลักถ้าหากว่าเราเฉยเนือก็ทำให้เรากระตือรือร้ น, น, นหรือถ้าเกิดว่าเรากระตือรือล้ น, ลนมากเกินไปสติก็เป็นคอยคอยยั้งเอาไว้ จยางคนที่เที่ยวเล่นจนเพลินนะเที่ยวเล่นจนเพลินอันนี้เราเรียกว่าลืมตัวก็ต้องมีสติมาคอยมากระตุ้นให้ให้ไม่ลืมตัวนะแล้วก็จะได้ทำให้สามารถที่จะทำในสิ่งที่ส ม, สมควรทำได้นะไวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆ เ, เวลานี้เนี่ยข้าไปเพลินกับการเล่นนะการเล่นมาก เล่นเกมอินเทอร์เน็ตเล่นเกมคอมพิวเตอร์ลืมตัวสติเป็นคอยเตือนคอยยั้งว่าให้เผาๆหน่อยนะจะได้ไปทำอย่างอื่นที่สมควรทำสติทำหน้าที่ผลักและทำหน้าที่ยัง้งนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญนะที่ที่เราก็จะต้องจะต้องมีกันคนไม่ค่อยสนใจเรื่องสติเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นพลังผลัก ที่โดดเด่นถ้าเทียบถ้าเทียบกับความเพียร น, นะหรือว่าศรัทธาเนี่ยอย่างคนที่มีศรัทธาเนี่ยมันทำอะไรได้ออยังเยอะแยะบางทีกล้าที่จะไปฆ่าคนอื่นได้ในนามของศาสน า, าเช่นมีสงคารามศาสนาใ น, ในหลายประเทศนะกล้าที่จะเอาตัวเองเนี่ยเป็นระเบิดนะที่เาเรียกว่าเป็นพวกระเบิดพรีชีพเนี่ยกล้าที่จะตายเพื่อที่จะทำร้ายผู้คนอื่น อันนี้ก็ทำในนามของศาสนาทํา้วศรัทธาแต่ว่าสติเนี่ยมันไม่มันจะไม่ทําให้เราบ้าบิ่งขนาดนั้นจะทําให้เรามีสติจะทําให้เราได้ได้คิดแล้วก็ทําในสิ่งที่สมควรทําประการที่5เนี่ยคือปัญญาปัญญาเนี่ยตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในพุทธศาสนาพลังแห่งปัญญานี่สําคัญเพราะว่าเราเนี่ถ้ามีถ้ามีปัญญาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ย นะมันจะไม่ทุกข์ง่ายนะความทุกข์จะไม่ใช่เป็นตัวที่มาสกัดขัดขวางอีกต่อไปได้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตได้ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคต่างๆที่วัดอาตมาเนี่ยนะมีช่วงเข้าบรรษาเนี่ยก็จะมีคนไข้ไม่ใช่คนไข้ มีอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนพิการเนี่ยนะจะมาที่วัดชื่ออาจารย์กำพลอาจารย์กำพลนี่พิการตั้งแต่ตั้งแต่ตแตคอลงมานะฮะคอลงมาทั้งตัวเลยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุเป็นครูสอนพละแล้วก็สอนนักนักเรียนโดดน้ำนะแต่ปรากฏว่าโดดผิดท่ายังไงไม่ทราบว่า ก็หัวนี่ก็ไปชนกับไปกระแทกกับพื้นสักนะก็ทำให้เส้นประสาทเนี่ยที่คอเนี่ยนะมันมันขาดนะพิการตั้งแต่อายุ24อายุ24่่นะตอนนี้อายุ50แล้วในช่วง10ปีแรกเนี่ยนะ ต้องเรียกว่าเหมือนกับตกนรกเลยเพราะว่าคนซึ่งเคยซึ่งมีอนาคตนะแต่ว่ากลับมาบประสบปติเหตุอย่างนี้เนี่ยแฟนก็ทิ้งชีวิตก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นจะกินข้าวต้องมีคนป้อนให้จะเข้าห้องน้ําก็ต้องมีคนมาดูแลให้เราลองนึกนะว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ย เพียงแค่เดือนเดียว น, นี้เราจะทนไหวนะความหวังในช่วง 3-4 ปีสาปีแรกก็มีความหวังว่าจะหายหรือว่าจะบรรเทาไปได้ไปหาหมอไปหาหมอหนวดหมอแผนใหม่หมอแผนโบราณก็ไม่ดีขึ้นเลยชีวิตนี้แย่มากอยากจะตาย รอวันตายอย่างเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยก็เริ่มทําใจได้แต่ทําใจได้ก็ยังมีความทุกข์อยู่ตอนหลังก็หันมาสนใจหนังสือธรรมะอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ใจก็สบายแต่พออ่านจบมันก็หวนกลับไปคิดถึงเรื่องกติสมัยที่ยังมีความสุขวิ่งเล่น นะทำอะไรได้ตามใจแต่ปัจจุบันทำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าร่างกายตัวเเนียมันเหมือนกับมันเหมือนกับคุกที่ขังตัวเองเอาไว้แต่ตอนหลังเนี่ยก็ได้มารู้จักกับหลวงพ่อคำเขียนนะหรือว่าความเขียนนี่ก็เป็นอาจารย์ของอตมา ท่านก็ได้แนะนําเรื่องการเจริญสติการเจริญสติปกติก็เจริญสติด้วยการตามลมหายใจหรือการเดินจงกรมแต่ว่าคุณหมอกำอาจารย์กําพลนี่ก็ทําไม่ได้ก็ได้แต่คือลุงพ่อเขียนชวิชชวิชแนะนําให้ใช้วิธีพลิกมืออาจารย์กําพลนี่ก็พอจะพลิกมือได้บ้างนะเพราะว่ายังพอจะควบคุมบางส่วนในร่างกายได้บ้าง ก็ใช้วิธีการพลิกมือพลิกมือพลิกมือหงายมือก็ให้รู้ตัวเวลาใจมันนึกลอยไปที่อื่นรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ดึงกลับมานะการที่พลิกไปพลิกมาด้วยความมีสติรู้ตัวนะในที่สุดก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมา เกดปัญญาขึ้นมาว่าคนเราเวลาทุกเนี่ยมันทุกที่ใจมันทุกที่ใจความทุก์หรือความสุขมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายและที่สาคัญคือเวลาเราเวลาเราทุกเนี่ยเราชอบไปยึดเอาความทุกมันเป็นของเราเช่นเวลาเจ็บนะ มันไม่ใช่แค่เห็นความเจ็บเฉยๆนะคือถ้ามีสติจะเห็นความเจ็บเฉยๆแต่พอไม่มีสติก็จะไปเผลอไปนึกเอาว่าความเจ็บเป็นของฉันฉันเจ็บมันจะมีตัวฉันเข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเวทนาความรู้สึกนั้นอยู่เสมอไม่ใช่เห็นความเจ็บไปรู้สึกเลยว่าฉันเจ็บมันต่างกันนะเห็นความเจ็บว่าไปรู้สึกว่าฉันเจ็บเนี่ย ซึ่งก็ทําให้เห็นต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่พิการเนี่ยกายทีิการต่างหากใจไม่ได้พิการด้วยแต่ก่อนที่ไปหลงคิดว่าฉันพิการฉันทิการแต่ที่จริงไอ้ที่พิการเนี่ยมันไม่ใช่ฉันนะทีการที่พิการเนี่ยคือกายที่การต่างหากใจไม่ได้ทีการด้วยพอเห็นตรงนี้เนี่ ย, น, ยนะ อาจารย์กัปพลบอกว่าจิตใจล้าออกจากความพิการเลยนะความทุกข์มันถูกปดเคลื่องมันเทาไปนะเรียกว่าเกือบจะหมดไปเลยแล้วทุกวันนี้อาจารย์กัปพลก็ยังพิการอยู่แต่ว่ามีความสุขทุกวันนี้ก็ยังมีคนต้องให้ค น, นคอยอุ้มคอยคอยดูแลอยู่ แต่มีความสูงมากคนธรรมดาเวลาใครมาที่วัดในวัดป่าสุโกโตเนี่ยแทบทุกคนเนี่ยก็จะไปหาอาจารย์กำพลก่อนไปทำไมไปปรึกษาไปปรึกษาเอาความทุกข์ไประบายซึ่งมันเป็นภาพที่ตัดกันนะคนที่พิการช่วยตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่าหน้าตานี่กับยิ้มแย้มอิ่มเ อ, อิม ขณะที่คนซึ่งอาการครบสายสองแต่กลับมีความทุกข์ต้องมาคอยให้อาจารย์กำพลซึ่งพิการแล้วเนี่ยคอยช่วยชิ้แ น, นะแล้วก็ให้กําลังใจเนี่ยอย่างกรณีอาจารย์กำพลที่เป็นตัวอย่างของคนซึ่งอาศัยพลังแห่งปัญญาปัญญาซึ่งเกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยจงก็ต้องเข้าใจไงว่า เข้าใจในเรื่องของความทุกข์เป็นอย่างดีว่าทุกข์มันอยู่ที่ใจและเราทุกข์เพราะเราไปยึดเอาความทุกข์มาเป็นเราเป็นของเรามันต้องใช้ปัญญาถึงจะแกะออกว่าเราไปยึดเอาความทุกข์มาเป็นของเราต่างหากเราถึงทุกข์เพราะถ้ามีปัญญาเราเราจะปล่อยฮะเราจะปล่อยเราจะไม่ยึดอีกต่อไปแต่เพราะเราไม่มีปัญญาเนี่ย เราถึงแบกแล้วก็ไม่ยอมวางสักทีมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาพบว่าสามีของตัวเองนี้นอกใจหลังจากอยู่กันมาสิบกว่าปีปฏิกิริยาแรกคืออนะคือความโกรธความพยาบาทในใจก็ลึกแล้ มึงทำลายชีวิตของกนะูชีวิตของกูนะสิบกว่าปีนี่มึงทำลายเป็นอยสิ้นนะอยากจะทำร้ายอยากจะระเบิดกับข้าวของต่างๆเพืนะ่อนะแกก็คุ้มคลั่งอย่างนี้อยู่สามวันนะแต่เนื่องจากเคยปฏิบัติธรรมมาบ้าง มันก็สงบลงไปแล้วก็หลังจากที่เยอะหลังจากที่ยายากันก็ไปเริ่มต้นชีวิตของตัวเองใหม่เพียงอนนี้ก็สอเออดีนะเป็นพ่อเราปฏิบัติธรรมนะเราถึงแค่ทุกข์แค่แค่เพียงสวันแต่ที่จริงไม่ใช่นะเพราะว่าหลังจากนั้นในหเดือนผ่านไปนายแกก็ไปปฏิบัติธรรม เข้าคอสปฏิบัติธรรม10วันพอไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธินะพอใจเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเนี่ยไอ้ความทุกเนี่ยที่มันที่มันที่มันเก็บมันซ่อนอยู่ความโกรธเนี่ยมันก็ออกมานะเดินก็โกรธนะนั่งก็โกรธค ว, วนึกถึงเรื่องราวในอดีตเรา ถึงการที่ถึงกา ร, ท, ท, การที่แฟนนี่ได้ทรยศนอกใจตัวเองอุตสาห์ตัวเองนี่อาจจะซื่อตรงซื่อสัตว์แต่ว่าเขาทรยศกับเราความกรวมนก็คุ่งพล่านขึ้นมานะเลยเพ่เริมาลู้เลยว่าที่ไปที่นึกประมาทว่าเออฉันปฏิบัติทำแค่ทุกสามวันที่จริงไม่ใช่มันเป็นแต่หลบซ่อนอยู่นะ แต่พอใจเป็นนึกเนี่ยย้อนกลับไปอดีตที่ก็ทุกข์ไม่เป็นสุขเลยระหว่างที่ปฏิบัติธรรมแต่ก็มีวันหนึ่งนะขณะที่เดินจงกรมเนี่ยนะเดินไปเดินมาเดินจงกรมเนี่ยกก็เอามือที่ประสานไวท้ที่ทท้องน้อยเดินไปได้เท่าชั่วโมงหนึ่งก็เมื่อยมือที่ประสานก็เมื่อยนะก็ปล่อยมือลง พอปล่อยมือลงเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่แค่หายทุกข์ที่กายเท่านั้นไม่ใช่แค่กายเท่านั้นที่หายเมือ่อยทันใดนั้นใจมันก็หายทุกข์ไปด้วยเพราะตอนที่ปล่อยมือเนี่ยรู้สึกสบายเนี่ยแล้วได้คิดขึ้นมาว่าเออเมื่อปล่อยก็หายทุกข์ไอความรู้สึกความคิดตรงนี้หรือปัญญาที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันทําให้แว บ, บขึ้นมาเลยว่า ไอ้ที่ตัวเองเนี่ยทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะไปยึดเอาความโกรธยึดเรื่องราวในอดีตเอาไว้นะพอปล่อยมือมันก็หายทุกข์ทางกายมมือก็หายทุกข์แล้วพอปล่อยเรื่องราวในอดีตใจมันก็สบายขึ้นมาเลยมีปัญญาเกิดขึ้นตอนขณะที่ปล่อยมือนั่นเองว่าเป็นเพราะยึดเอาไว้เนี่ยมันถึงทุกข์ ะปัญญาเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่โปร่งเบาและสบายขึ้นได้ใครที่กำลังโกรธใครที่กำลังเกลียดกำลังที่งทียาบาสเนี่ยนะลองทบทวนดูซิว่าใครกันแน่ที่ทำให้เราทุกข์เป็นเพราะคนคนนั้นหรือเปล่า หรือเป็นเพราะใจของเราที่มันไปนยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยสักทีเวลาเราโกรธใครก็ตามเนี่ยเราก็อยกจะโทษคนโน้นคนนี้แต่เราไม่เค่อยได้มองดูตัวเราเองเลยว่าเป็นเพราะใจของเราใช่ไหมที่ปล่อยไม่ได้ใจของเราใช่ไหมที่แบกเอาไวา้มันต้องทาให้เราทุกข์ เขาจะทำอะไรกับเราก็ตามถ้าใจเราไม่ไปยึดใจเราไม่ไปแบกเอาไว้เขาก็ทำให้เราทุกไม่ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคนะปวดหัวเรื้อรังความดันสูงปวดท้องด้วย เป็นมาหลายปีไปหาหมอก็รักษามไม่หายแล้วที่มาคือว่าไม่พบอาการผิดปกติทางร่างกายร่างกายปกติทุกอย่างแต่ปวดหมอนี่ก็แทบจะจนใจเพราะคนปวดนี่มาแล้วใหม่อยู่นั่นแหละให้ยาอะไรไปก็ไม่หายสักที หมอจะหมอนี่กำลังจะหมดหวังอยู่แล้วเสร็จแล้วหมอก็เลย้ลหมอก็ได้คิดขึ้นมาหมอก็เลยถามว่าไหนคุณลองเล่าประวัติของคุณให้ฟังหน่อยสิแกก็เล่าประวัติของแกแน่ดีย้อนขึ้นมาแล้วหมอก็สดุดใจตอนที่แกพูดว่าเนี่ยบอแกโกรธทั้งโกรธทั้งน้อยและสําใจพี่สาวซึ่ง ปล่อยแกซึ่งเป็นน้องเนี่ยให้ใช้ชีวิตตามลำพังแกก็เลยตัวคนป่วยเนี่ยก็เลยโกรธนะแล้วก็น้อยใจที่สาวหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยว่าผมจะแนะให้คุณอย่างนี้ได้ไหมก็คือให้อภัยให้อภัยที่สาวขอ ง, ของคุณ ผู้หญิงคนนั้นได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็ก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ไปหาหมอคนนั้นเลยอะไรกันนะป่ยวยมาเป็นสิบม า, มาหลายปีแล้วเนี่ยมาบอกว่าเป็นเพราะพี่สาวเพราะโกรธพี่สาวหายไปเป็นปีเลยนะแล้ววันหนึ่งหมอก็ได้จดหมายจาก ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวนี้แกหายป่วยแล้วอาการต่างๆที่เคยเป็นก็ไม่มีแล้วเพราะว่าจะเชื่อคำแนะนำของหมอก็คือให้อาภัยที่สาวคือบอคนเราให้อาภัยเสร็จเนี่ยนะมันก็ปล่อยมันก็ไม่เก็บกต่อไปความโกรธเนี่ย มันไม่ได้อยู่กับใจเราเฉยๆนะมันอยู่เพราะใจเราไปยึดเอาไว้และใจเราไยึดเอาไว้ส่วนนึงก็เพราะเราเราไม่มีสตินะและเราไม่มีปัญญาเห็นเลยว่าไอ้ที่เราทุกข์ี่เป็นเพราะใจของเราต่างหาไม่ใช่เป็นเพราะพี่สาวหรอกนะแต่พอแกแห่ภยัยการแห่ไัยนี่ก็เป็นวิธีการนึงในการที่จะปลดปล่อยความปลดปล่อยสิ่งที่มันเป็นเป็นพิษออกไปจา ก, ก จ, จิตใจ การให้พันธุ์ก็สำคัญนะซึ่งสมาชิก็เป็นพลังอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดจากเม็ดอาจจะเกิดจากปัญญาก็ได้คือปัญญาเราเห็นเลยปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าการที่เราได้เข้าใจเลยว่าความโกรธนี่มันเป็นพุทธมันเป็นมันเป็นโทษต่อร่างกายเราอย่างไรเมื่อเราโกรธทันทีที่เราโกรธคนที่ถูกทาร้ายเป็นคนแรก ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือเราเองเวลาเรากลัเราคิดพย า, ายามบัดอยากจะทําร้ายใครแต่คนที่ถูกทําร้ายเป็นคนแรกคือเรานะฮะพราความโกรธมันจะเผาผลาญเผาล้นจิตใ จ, จของเราทําให้ความดันขึ้นทําให้เป็นโรคกระเพาะและทําให้นอนไม่หลับถ้าเรามีสติและปัญญาเห็นตรงนี้เนี่ยการปล่อยก็เป็นเรื่องง่าย แต่เพราะคนเราไม่มีปัญญายเห็นตรงนี้ว่าความโกรธมันทำลายเราอย่างไงบ้างเราก็เลยประคับประคองไปเก็บเอาความโกรธเอาไว้เวลานี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการเรานิยมนะการดีท็อกซ์นะฮเวลานี้มีค่านิยมแฟชั่นกันว่าได้ดีท็อกดีท็อกนี่คือการ ขจัดสารพิษออกไปจากร่างกายที่ว่าัดตมาตอนนี้ก็มีคนมาดีทอกโดยการอดอาหารอดอาหารแล้วก็ขับสารพิษออกไปจากร่างกายเพราะเวลานี้ยเราก็ว่ายสารพิษในร่างกายอาหารที่เรากินเนี้ยมันจะทิ้งสารพิษเอาไว้อาจจะเป็นอาหารธรรมดาแต่พอมาไปสะสมมากข้าก็กลายเป็นพิษหรือว่าเป็นพิษที่มาจากอาหารอยู่แล้วเช่นสารเคมีต้องสะสมอยู่ในร่างกายไม่ออกไปสักทีทำให้เป็นโลค เดี๋ยวนี้เนี่ยคนโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยจะนิยมการดีท็อกซ์คือท็อกนี่มันแปลว่าท็อกซินก็คือพิษดีท็อกก็คือเอาพิษออกนะโดยการปลิอาหารนะโดยการาใ ช, ใช้ใช้น้ำน้ำนี่มีเครื่องมือดีท็อกซ์ใช้น้ำสวนทวาวรหรือกาแฟแต่ว่าสิ่งสำคัญมันไม่ใช่แค่ดีท็อกซ์ พิษจับร่างกายนะฮะเราต้องรู้จัก detox หรือกลดเปรื้องพิษออกไปจากกิจใจด้วยและพิษที่สําคัญก็คือความโกรธนะความโกรธต้องรู้จักวิธีที่จะเอาออกไปให้ได้และวิธีที่สํำคัญกคือการรู้จักให้อภัยนะการให้อภัยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พระห้านะฮะ แต่ว่ามันสืบเนื่องกับจักพระห้าเพราะว่ามันเกิดจากปัญญาพอเรามีปัญญาแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากคนอื่นนะมันเกิดจากเราเองพระเจ้าตรัสว่าจิตที่วางไว้ผิดนะพระเจ้าบอกว่าตรัสว่าไม่มีอะไรที่ทำร้ายเราได้มากกว่าจิตที่ที่วางไว้ผิดการทําจิตไม่ไม่ถูกต้องก็ทําให้เราเป็นทุกข์ แล้วเวลานี้พลังช่วของเราเนี้ยมันถูกบันทอนไปมากเพาความโกรธนะความโกรธ ค, ความเกลียดมันทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราต้องรู้จักขจัดตัวนี้ออกไปด้วยการใช้พลังแห่งปัญญาแล้วก็พลังแห่งแห่งแห่งสติซึ่งก็จะดึงเอาการแหภัย มาใชใ้เป็นประโยชน์อตมาเรียกการให้อภัยหรือธรรมะข้อนี้ว่าเป็นยาสมันประจําใจนะทุกวันที่เรามียาสมันประจําบ้านเยอะแล้วแต่เราเคยนึกถึงยาสมันประจําใจไหมเพราะว่าใจของเราที่มันมีแผลนะมีแผลเพราะความโกรธเพราะความเกลียดเพราะความพยาบาทถ้าเราไม่มียาที่สมานใจของเราใจเราก็จะเป็นแผลเปล็นนะ แล้วก็ถึงเวลาตายก็ตายไม่เป็นสุขนะฮะเราจะพ่อคนหนึ่งมันไม่น้อยเนี่ยเวลาตายนี่ตายตายต า, ยตายไม่หลับเพราะความโกรธมันมันบักหม่มในใจบาทีไม่ได้โกรธใครฮะก็โกรธลูกสาวบ้างโกรธลูกชายบ้างหรือว่าโกรธสามีบ้างและเราก็ปล่อยวางไม่ได้ นอกจากความโรกรธความความเกียดความเบียดบายแล้วมันมีสิ่งนึงที่มันบั่นทอนจิตใจนะอันนั่นแหละความเศร้าความเศร้าที่เกิดจากความสูญเสียพลัดพรานนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮซึ่งต้องใช้พลังแห่งปัญญาเข้ามาช่วยคู่กับพลังแห่งสตินะคนเราเวลาสูญเสียเนี่ยมันเศร้าอจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสิ่งของก็ดีจะเป็นทรัพย์สมบัติก็ดีนะ ถ้าเราไม่มีปัญญาจัดการกับความเศร้านี้นะเราก็จะทุกข์ธรรมะเนี่ยนะจะช่วยเรามากในการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเศร้าเนื่องจ า, ากความพลัดพรากสูญเสียได้พี่ชายหนุ่มเพิ่ น, นึงแกศูนย์โทรศัพท์มือถือเครื่องใหมายราคาแพงนะ ราคาคงจะหมื่นสองมืแล้วฮะเสียไปหายไปไม่ทราบว่าทำหายหรือว่าคนขโมยไปก็ได้ทราบมีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเป็นเกจีอาจารย์ก็เลยเข้าไปหาหลวงพ่อกราบท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยโทรศัพท์มือถือหายหวังความเมตตาจากกรุณานหลวงพ่อช่วยนั่งทางนายให้หน่อยหลวงพ่อท้าไม่ถามเรื่องในโทรศัพท์ ยี่ห้ออะไรหายที่ไหนอย่างไรที่ไหนถ้าไม่ถามหรือท่านถามว่ามีทองไหมมีครับแล้วท่านก็ตอบว่าเออไม่นานก็จะสูญไปไม่นานก็จะหายไปมีรถไหมมีครับไม่นานก็หายมีแฟนไหมมีครับเออไม่นานก็ไป พอเจอเงี้ยแกกราบหลวงพ่อแล้วก็เดินตังยกวัดไปเลยไม่ใช่เพราะว่ากลัวถูกแช่งนะสิ่งที่หลวงพ่อหลวงพ่อพูดมานี่คือความจริงแต่เพราะเป็นความจริงนั่นแหละที่ทำให้แกได้คิดเลยว่าการหายการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาและวันนี้ยังดีที่หายเพียงแค่โทรศัพท์มือถือพอพรุ่งน้าพอพรุ่งนี้เนี่ยหรือวันหน้าเนี่ย อาจจะหายมากกว่านี้หรือสูญเสียมากกว่านี้นี่คือความจริงเนี่ยซึ่งถ้าเราตระหนักได้เมื่อไหร่นะนั่นแหละคือปัญญานะและมันทาให้อีความเศร้าความเสียใจเนี่ยมันมันเท า, เวาวาบางไปเราเสียใจเมื่อประสบความพ่ายแพ้สูญเสียเพราะเราปฏิเสธความจริงนะ เราไม่ยอมรับความจริงว่าความพัดผ่าความสูญเสีย เ, เรื่องธรรมดาซึ่งรวมถึงเรื่องความตายด้วยแต่หลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้เทศแต่ท่านถามเพื่อ น, นําไปสู่การประจักษ์ถึงความจริงว่าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีเมื่อมีเนี่ยมันก็ต้องมีเสียมีกับเสียหรือได้กับเสียเนี่ยมันของคู่กันนะ แต่คนร้นอนมักจะเผลอว่าของที่ฉันมีนั้นเนี่ยมันจะสูญเสียไปไม่ได้แต่ความจริงคือว่ามีกับเสียนี่มันของคู่กันเหมือนกับสุขและทุกข์เหมือนกับสารเสริและนินทามีคนมาถามอตาตมาว่าทำยังไงดี เมื่อคนเขาตาหนิถึงจะไม่ทุกข์อันนี้เป็นปัญหาพวกเราหรือเปล่าอาตอมาก็บอกว่าก็ง่ายนิดเดียวเวลาใครชมเราแล้วก็อย่าดีใจใช่ไหมมันคู่กันเพราถ้าเราดีใจเมื่อมีคนชมแล้วก็ต้องเสียใจเมื่อมีคนตนําหนิมันเป็นของธรรมดามากมสารสนเทศการดินไทาเป็นของคู่กันสุขกับทุกข์เป็นของคู่กัน มีลาบก็เสื่อมลาบมียศ ก, ก็เสื่อมยศอันนี้ภาษาพระเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมแปดมันคู่กันครเหมือนก็เกิดและตายมันคู่กันเมื่อมีความสําเร็จก็ต้มีความล้มเหลวเหมือนกับเมื่อมีมาก็ต้องมีไปเพราะฉถ้าเราเห็นมีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยเราจะเราจะทุกข์น้อยลงฮร เพราเราจะยอมรับความจริงของชีวิตได้และที่ให้ดีเนี่ยไม่ควรจะไม่ไม่ควรจะมาตระหนักข้อนี้เมื่อเหตุการณ์สูญเสียพักพ้าเกิดขึ้นแล้วมันควรจะตระหนักตั้งแต่ตอนที่เราได้อะไรมาเมื่อเราได้อะไรมาก็ตามก็ให้เราลึกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับเราไม่นานไม่มันไปจากเราเราก็ไปจากมันมีแค่2อย่างนั้นเหรอฮะ มันไม่มีทางนี้ไปได้นะถ้ามันไม่ไปจากเราเราก็ไปจากมันมถ้าเช่นมันไปจากเราก็เช่นมีคนขโมยไปหายไปหรือว่ามันเสียไปหรือไม่เราก็ไปจากมันคือเราตายนี่แค่สองอย่างไม่มีเป็นตื่นไปได้เล้เวลาเราได้อะไรกันมาเนี่ยทำใจว่ามั น, ม, น, ม, นมันอาจจะอยู่กับเราไม่นานนะเวลาได้เวลามีคนสารเ ส, รเสรินเราก็ให้ทาใจว่า พวนี้อาจจะกลายเป็นอาจจะเจอคําตําหนิกไ็ได้ถ้าเจออย่างนี้นะถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้เราจะไม่ขัดทูนในชีวิตเราเราเจอพรอชีวิตเราเนี่ยความพัฒนาสูงเสียเป็นธรรมดาอย่างที่คนโบราณบอก ว, ว่าอันนี้จังอนนี้จังนะครัาวนี้ถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยนะปัญญาเราไปอีกขั้ น, นว่าเรารู้จับมองให้เป็นแง่ดีเสียบ้าง เงินหายร้อยบาทนอกจากจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยลองมองต่อไปสักหน่อยว่าหายร้อยบาทยังดีกว่าหายพันบาทนะปวดหัวยังดีกว่าปวดฟันนะปวดฟันยังดีกว่าปวดโรกระเพาะปวดเป็นโรคกระเพาะดีกว่าเป็นมนะเร็งเป็นมะเร็งอาจจะดีกว่าเป็นเอสด้นะ อันนี้เป็นเรื่องจริงอ่าอาจจะมาไปอบรมรเผชิญความตายอย่างสงบเมื่อสอเดือนที่ผ่านมัก็มามาอบรมที่นี่แล้ฮะกับอาจารย์คุณหมอสิงเวียงกับคุณเจสซีนฮะเมื่อเดือนสองสมเดือนที่ผ่านมา <c oughs> เคยไปอบรมที่ที่ปักใต้โรงพยาบาลม อ, อ, อโรงพยาบาลอ่ามอหัตใหญ่ที่คุณตูนิงอยู่ตอนนี้ก็อบรมเสร็จก็ไปก็ เอาคนอบรมนี่แหละไปไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลอาสาสมัครก็ไปเจอเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ14ผมจะร่วงกมนเลยนะโดนฉายแสงเป็นมะเร็งถามว่าเป็นอะไรอาสาสมัครถามแกว่าเป็นมะเร็งสมองแต่อาสาสมัครก็สังเกตว่า เด็กคนนี้นถ้าทางยิ้มแย้มแจ่มายพูดจะก็ข่องแคล่วไม่มีสีหน้าเศร้าหรือทุกข์เลยคุยไปคุยมาแกก็บอกว่าแกโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งตากมดลูกญาติคนหนึ่งเป็นทอปวดป้างเลยแต่วันนี้แกโชคดีเป็นแค่มะเร็งสมอง mm hmm. เห็นไหม คือนอกจากแกจะเห็นว่าคือมันมีวิธีมองได้สองอย่างถ้ามองด้วยปัญญาคือมองว่ามันเป็นธรรมดาความเจ็บความป่วยที่เป็นธรรมดาหรือมองอีกขั้นหนึ่งคือว่ายังดีนะที่ว่าไม่เป็นหนักกว่า น, นี้นะถมองอย่างที่สองนี่ถือว่ายัางโชคดีมองอย่างแรกเป็นเรื่องธรรมดามองอย่างที่สองเป็นเรื่องโชคดีกำไรฮะกำไรเราลองมองอย่างนี้บ้างก็ดีนะ มีมนิทานเล่านะนิทานเล่านะอ้วนพร้อมเนี่ยก็เดินอันนี้เดินไปเดินไปกลางทางก็ไปเจอเจอลาตัวหนึ่งไม่มีเจ้าของนะมันหลงมาก็เลยจับซะเลยจับเสร็จก็จะแบ่งกันยังไงอ่ะอ้วนพร้อม ตกลงกันว่าเอาลาไปขายแล้วได้เงินมาค่อยมาแบ่งกันนะก็ให้คนอ้วนนี่แหละนะจูงลาไปที่ตลาดระหว่างทางก็มีคนถือปลามาสองตัวคนที่ถือปลาก็ถามว่าจะจูงลาไปไหนอวนก็บอกว่าจูงลาไปขายคนที่ถือปลามอกเลยว่าไหนลองขอขี่ดูก่อน ถ้าถ้าดีมันก็จะซื้ออช่วยถือปลาให้หน่อยนะวนก็รับปลาไปแล้วก็เข้าขี่ลาขี่แล้วขี่วนวนไปเรื่อยๆนะวนนวนเสร็จแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยก็เป็ น, น้ามันศูนย์ลาไปก็เลยเดินกลับไปหาเพื่อนซึ่งกำลังรออยู่นะเพื่อนเห็น หอมนี่เห็นอ้วนเดินกลับมาก็เลยแน่ใจเลยว่าขายลาได้แล้วก็เลยถามว่าขายลาได้เท่าไหร่หอมอ้วนก็เลยบอกว่าเท่าทุนเอ๊ะไม่ใช่ได้กําไรเป็นปลาสองตัวถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นอ้วนนี่เราจะจะตอบแบบนี้ไหมเราจะหัวฟัดหัเวเบียงก็โอ้ย ศูนย์ลาบนะเนี่ยได้ได้ลามานี่ถ้าขายนี่คงได้เป็นพันนะศูนย์เงินเปนเลยคง <c oughs> โมโหโมโหหัวฟาดหัวเบียงแต่ก็บอกไม่ใช่เท่าทุนเอ้ะกำไร <c oughs> กำไรใช่ไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ปลามาเลยตอนนี้ได้ปลามาสองตัว มีคนหนึ่งแกถูกนะถูกโจนจี้เอาไปหมดทั้งตัวเลยเอาไปหมดเลยกลับไปบ้านแกก็ไลฟ์ฟังแล้วแกบอกว่าเท่เาทุนเลยวันนี้เท่าทุนทำไมเท่าทุนนะหรือมหมเท่าทุนพ่ออะไรเพราะตอนเกิดมาเรามันมาตัวเปล่าอ่ะเรเกิดมามีใครมีอะไรติดตัวมาหรือเปล่าตอนเกิดมาใช่ไหมถูกปน ยกเข้าหมดทั้งตัวเผลอๆเอาทั้งกางเกงนะเอาเสื้อไปด้วยก็ยังเท่าทุนนะเวลาเราหายเวลาเราของหายเนี่ยเราอย่าไปนึกว่าเสียใจอย่าไปนึกว่าขาดศูนย์เสียนะเรายัางนี้ว่าเออนี่ยังได้กําไรนะบ้านหายไปรถหายไปยังได้กําไรนะเพราะตอนเกิดมาเราตัวเปล่าอะ่ะแต่นี่เราถึงแม้เราเสียบ้าน เ, าเสียรถเรายัง ม, เงมีเรายังมีเงินมีทองมีเงินในธนาคารนะ ยังมีอะไรต้องหลายอย่างอยู่รวมทั้งยังมีปัญญาที่จะทมาากินต่อไปได้เราเกิดมาตัวเปล่าเราจะเราแม้เราจะเหลือแค่ตัวปากก็ยังไม่ขาดทุนก็ถือว่าเท่าทุนนะฮะลองดู อ, อย่างนี้สับ้าง น, นี่คือการมองแบบแบบมีปัญญาเหมือนกันคือมองแบบมองให้เห็นแง่ดีของมันบ้างอะไรเช่อวานนี้ ถ้าเราถ้าเรามองได้แบบนี้นะไอความสูญเสียความพัดพลาเนี่ยมันจะไม่สามารถจะบั่นทอนชีวิตใจของเราได้เราจะไม่นั่งไม่มานั่งมาเสียเวลาเศร้าทุกข์นะไม่มานั่งบ่นว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นเป็นงี้กินชับกันใช่ไหมฮะ คือว่าเวลาของหายเงินหายหรือว่าสูญเสียแล้วก็ตามอกหักทำไมต้องเป็นชั้นแต่ถ้าเราถามใหม่ว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้ล่ะัวคนหนึ่งก็เป็นกันทั้งนั้นคนหนึ่งก็โดนกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าชั้นโดนคนเดียวเราลองเปลี่ยนคำถามซ้ำใหม่มันจะมีกำลังใจขึ้สู้นะเพราะถ้าเราถามาว่าทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเรานี่แย่เรานี่โชไม่ดี โลกนี้โหดร้ายกับเราแต่ถ้าเราถามใหม่ว่าทําไมเป็นชันไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มันไม่มันั่งมาสมเพศตัวเองจะไม่มันนั่งโทษโทษชะตาโทษชะตาลิขิตหรือชะตากรรมนะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาแล้วก็เราก็จะเริ่มต้นใหม่เดินหน้าต่อไปได้ เาจะมาชี้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งมันในทางพุทธศาสนารเราเรียกวปัญญาพลังปัญญาแล้วนี่คือธรรมะนะธรรมะไม่ได้หมายถึงการต้องไปถวายสังฆทานไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาทําสมาธิหรือว่าเดินจงกรมเท่านั้นมันหมายถึงการรู้จัก ใช้ปัญญาเพื่อี่จะแก้ปัญหาชีวิตได้รู้จักมองอย่างรู้เท่าทานความเป็นจริงนะมันหมายถึงการที่มีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามไม่ปล่อยให้ฉันทะไม่ปล่อยให้ตัณหาเข้ามาเป็นใหญ่เหนือชีวิตเรามันหมายถึงการที่เรามีสมาธิมีจิตที่สงบ รู้จักระงับความเครียดได้มหมายถึงการที่เราเชื่อในในวิริยะความเพียรนะเหมือนกับพระมหาชนกนะพระมหาชนกเนี่ยส่วนฉากที่สำคัญก็คือฉากที่ว่าเรือแตกไปแล้วแล้วก็ตัวเองมีรอยขอยอยู่กลางทะเลแต่ก็ยังว่ายน้ำหาฝั่งทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งเลยในตำนานก็บอกว่าว่ายถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน จกนกทั่งนางมดีแม่ขลาต้องมาช่วยโดยที่พระหมหาชนกก็ไม่ได้อ้อนวอนขอให้เทพยาฟ้าดินมาช่วยเลยเพราะเชื่อมันในวิริยะความเพียรนะเมื่อนางบดีแม่คลามาถามว่าทําไมถึงไม่อ้อนวอนขอใหออ้นางมาช่วยหรือเทพธิดามาช่วย พระมหมาชโยนก็บอกว่าเนี่ยคนเราเป็นมนุษย์ก็ต้องมีความเพียรให้ทําความเพียรอย่างถึงที่สุดก็จะได้ไม่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ไม่ไม่ไ ม, ไม่อับอายหรือว่าไม่ละอายใจตัวเองอันนี้เรื่องของพลังแห่งความเพียรพลังแห่งสติก็ได้พูดไปแล้ว เนี่ยต่อมาคิดว่าพระหเนี่ยหรือพหันพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าปัญญาเนี่ยสมานิสุทธิ์นะซึ่งเพราะว่าถ้าเรามีปัญญาด้วยอํานาจของสมาธิฐีแล้วก็สามารถที่จะใช้ปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความพลัดพราสูญเสียความแก่ความเจ็บความตายหรือว่าความโกรธสิ่งที่มากระทบและสิ่งเหล่านี้เนี่ยสมาเชื่อว่าจะทําให้เรามี พลังชีวิตที่จะเดินหน้าเอาชนะอุปสรรคได้ก็คิดว่าใช้เวลาพอสมควรนะฮะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ไม่ชัดเจนก็ถามได้นะฮะแราก็มาขอขอพักตรงนี้ไวก่อนเกื่อสำหรับคำถามคือการมีสติเนี่ยนะ สติก็ต้องเข้าใจว่าพสติอย่างที่ตมาบอกคือการระลึกได้การที่จะฝึกสติได้ก็จะฝึกได้ในชีวิตประจําวันคือเราทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่าให้ทําแต่กายใจแล้วก็ทําด้วยฝือใจแล้วก็ตามรู้ไปกับสิ่งที่เราทําต่ออาบน้ําถูฟันล้างจานปกติเนี่ยใจเราก็จะลอยใช่ไหมอาบน้ําถูฟันมันก็มีแต่กายที่ทํา แต่ว่าใจนี่ก็ลอยเราฝึกสติด้วยการคิดจเราอยู่กับสิ่งนั้นทําแล้วก็ตามใจก็อยู่กับสิ่งนั้นด้วยพอใจมันเผลอคิดเว็บอะไรไปที่ไหนก็ตามรู้ระลึกดูขึ้นมาได้ก็ดึงกลับมาเวลาอยู่นิ่งๆเนี่ยอัตมาก็ชอบใช้ไปิ้งครึงนิ้วครึ่งนิ้วเพื่อให้เราให้มีสติรู้ในในในสัมผัสที่เกิดขึ้นเพราะว่าเวลายู่เฉยๆเนี่ยใจมันก็ชอบลอยแต่พอเราครึงนิ้วแล้วเนี่ย ไอการสัมผัสที่ใจแล้วก็มีสติอยู่การคลึงนิ้วนะมันก็ดึงให้จิตไม่ให้ใจลอยนะบางคนเนี่ยชอบทำอะไรๆในอย่างพร้อมๆกันนะเช่นมือรีดผ้าส่วนหูก็ฟังโทรศัพท์มือถือส่วนตาก็ดูโทรทัศน์นะปากก็หายแล้วมาเคี้ยวด้วยนะทำหลายอย่างพร้อมกันคิดว่าดีนะคิดว่าเป็นการใช้เวลามีประโยชน์ แต่วิธีนี้คือวิธีเครียดบันทอนจิตใจให้มันแตกเป็นสิ่งเสีย่ยมคือไม่มีสติทำอะไรไม่ทําแล้วก็จับจดไม่สามารถทําอะไรพร้อมๆไม่ทำไม่สามารถทําอะไรให้อย่างมีจิตใจที่แน่วแน่คือมีโฟกัสหรือมี ม, มีจุดจุดเน้นได้มันก็เหมือนกับแสงแดดนะถ้าแสงแดดมันกระจายเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถจะ จะจุดไฟจุดกระดาษให้เป็นเปลวไฟได้แต่ถ้าใจเราเนี่ยจดจ่อยอยู่กับอะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นคือสมาธิแต่การที่เราจะมีสมาธิได้ก็เพราะเรามีสติที่จะดึงไม่ให้ใจเราเนี่ยฟุ้งซ่านแสบใจแต่วิธีที่ดีดกว่านั้นเราก็เลี้ยวคือการการทําสมาธิภาวนาเช่นการเดินจงกรมการตามลมหายใจการ มีสติรู้ตัวการเคลื่อนไหวที่เขาเรียกว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานนะอันนี้นก็เป็นวิธีที่จะทําให้เร็วขึ้นนะแต่ว่าก็อย่าไปเข้าใจว่าเราจะต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนั้นถึงจะมีสติได้ในชีวิตประจํำวันของเราเราก็สามารถจะเจริญสติได้ด้วยการทำอะไรก็ตามทําเป็นอย่างๆอย่าทําหลายอย่างพร้อมกันและแต่ละอย่างที่เราทําก็ให้มีสติรู้ไอ้ใจ รู้อยู่กับสิ่งที่เราทํานำะมันก็เหมือน ก, กับกับการขับรถนะเมื่อเราขับรถนะไม่ใช่มือทั้งนั้นที่จับพวงมาลัยตาเราก็ดูทางข้างหน้าและใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่ขับรถไปแต่คุยกันไปนะอันนั้นเนี่ยมันไม่มีสติแล้วละ่ะนี่คือความหมายทุกแย่งสติ แต่สตินั่ยังรวมไปถึงเรื่องของการเราลึกได้ในทางที่ที่ถูกต้องเช่นมรนะืรณหนสติเราลึกถึงความตายเมื่อเราเรารึกถึงความตายมันก็ทําให้เราเกิดความไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในเวลาที่รุ่งเลยไปแล้วก็ใช้เวลาให้มีประโยชน์ทําสิ่งที่ควรทํราล้วนั้นก็ทําให้ชีวิตเรามีจุดมุ่งหมายได้เหมือนกันนะก็เป็นสติอย่างหนึ่งนะแต่ว่าโดยทั่วไปเรามีพ้ดสตินี่เราหมายถึงการมีสติกับสิ่งที่เราทําอยู่ขณะที่กําลังนั่งฟังอยู่ ใจเราไม่ลอยแล้วก็รายใจล้วก็รับรู้กับคำพูดที่พูดที่ที่ที่ได้ยินหรือบางทีมีข้อความบางข้อความที่เราทําให้เราสะดุดนึกไปถึงเพื่อนของเรานึกถึงลูกของเราที่บ้านมีสติรู้ดึงกลับมาสติทํานได้ดึงกลับมานั่นแหะฮะก็ทําให้เราสามารถตามเรื่องที่พูดได้อย่างต่อเนื่องก็ทําได้ในชีวิตประจําวันนี่ครับ เอไม่แก่นะแต่ว่าทุกข์หรือเปล่าคือถ้าไม่แก่แล้วก็ไม่ทุกข์นะก็ไม่ต้องเข้าวัดหรือไม่ต้องฟังธรรมก็ไดนะ้อันนี้เราต้องถามตัวเองเราไม่แก่แล้วเราจะไม่ทุกข์ไหมและถ้าเราแก่เมื่อไหร่เราจะทุกข์หรือเปล่านะจะรวยแค่ไหนนะ จะสวยงามแค่ไหนจะเปล่งปลังแค่ไหนก็ยังทุกข์นะเพียงแค่ผมแตกปลายก็ทุกข์แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรานี่มันจะสุขไปตลอดหรือถ้าเรายอนรับความจริงว่าชีวิตเราแม้จะยังหนุ่มยังสาวแต่ก็ยังทุกข์อะ อาจมาคิดว่าธรรมะเนี่ยมันก็จะจำเป็นสำหรับเราไม่ต้องเข้าวัดก็ได้นะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียวนะธรรมะอยู่รอบตัวเราและธรรมะก็อยู่ในใจเราด้วยเวลาเราโกรธใครแล้วเราเห็นความทุกข์ที่ใจของเรานี่นะ เห็นไฟมันกาลังเผาใจเราอยู่นะนั่นแหละธรรมะแล้วนะธรรมะในแง่ที่ว่าความโกรธทาให้เราทุกข์คือถ้า เ, เราเป็นทุกขของ ค, งความโกรธนะเราก็จะอยากจะโกรธน้อยลงนะเราจะเห็นความจำเป็นที่จะปลดปรืองความโกรธหรือโทรเสาออกไปจากจิตใจเรามากขึ้น ธรรมะนี่ยนะอยู่รอบตัวเราและอยู่ในใจเราขอให้มองเป็นหลวงปู่มั่นนะท่านไม่ได้เรียนสูงนะเคยมีพระจบเป็นประโยกกาเป็นชั้นสมเด็จเนี่ยซึ่งจบประโยชนกาเนี่ยถามหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นไม่ได้เรียนหนังสือมากทําไมรู้ธรรมะได้ยังไงหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าสําหรับผู้ที่มีปัญญาปัญ ธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมยา้าสำหรับผู้มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมยา้าถ้ามีปัญญานะมองเห็นนกบินเห็นใบไม้ร่วงเห็นมดนับร้อยกำลังลากกิ่งกือตัวใหญ่ก็เกิดธรรมะลนะความสุขก็เหมือนกันนะ ความสุขก็เหมือนกันมีเพื่อนเนี่ยมีคนหนึงเขาเขียนคำมวยความไปถึงเพื่อนวนะ่าขอให้ขอให้เห็นความสุขไม่ได้บอกให้มีความสุขนะขอให้เห็นความสุขเพราะความสุขมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ทั้นี้คนเรามีความสุขอยู่แล้วนะอยู่กับตัวแล้วนะแต่ไม่เห็นความสุขการที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นี่ก็ เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วนะแต่เราไม่ค่อยเห็นนะเราไปนึกว่าต้องมีทองต้องมีบ้านใหญ่ๆต้องมีรถนะคันหรูๆที่มีความสุขขณ้ทที่ที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นี่ก็เป็นความสุขทั้งท้ที่เรามีพ่อมีแม่มีลูกอยู่กับเราก็เป็นความสุขแล้วมีอากาศหายใจมีมีมีที่มีบ้านอยู่ก็เป็นความสุขแล้ว ความสุขอยู่รอบตัวแต่เราไม่เห็นนะเราถึงทุกข์ไม่ใช่เพราะเราไม่มีนะเรามีแต่เราไม่เห็นถ้าเรามองให้เป็นก็เห็นสุขน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขนาดอย่างอาจารย์กำพลเนี่ยนะที่การขนาดนี้ยังมีความสุขมากคนธรรมดาเลยเพราะอะไรเพราะอาจารย์กำพลเห็นความสุขในขณะที่คนธรรมดามองไม่เห็นทั้งที่มีอยู่มีอยู่กับตัวแล้ว เพราะนั้นเนี่ยไม่เข้าวัดก็ไม่เป็นไรนะือพถ้าเข้าวัดแล้วไปหาหาเบอร์หาหัวนี่นะไม่ไม่ไปดีกว่านะแต่ข้อสำคัญก็คือว่าต้องต้องเห็นธรรมะแล้วก็สามารถที่จะน้อมนำธรรมะมามาปฏิสฐานในใจเราได้ จริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยเหมาะกับคาราวะามากกว่าเหมาะกับพระซิอย่างตามานี่อยู่วัดป่าเนี่ยนะก็ไม่ค่อยมีเรื่องวนะุ่นวายเท่าไหร่อยู่ในป่านี่ก็ต้นไม้ก็เยอะร่มแต่ข้างนอกเนี่ยนะมันร้อน ไม่มีป่าเลยมีแต่ทุ่งมีแต่คอนกรีตชีวิตคอราวามันก็ชีวิตที่อยู่กลางทุ่งกลางกลางอยู่ในที่โลง่งนะถ้าไม่มีลมนีม่ร้อนนะอาตมาอยู่ในวัดป่าไม่มีลมก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีต้นไม้แต่ญาติโยมเนี่ยมันก็อยู่กลางทุ่งอยู่บนที่โลง่งอยู่ในที่โลง่งเจอแดด ก, ก็ร้อนนะเจอฝนก็เปียก จะทำยังไงก็ต้องมีมีลมแดดร้อน ก, นก็กลางร่มฝนตกก็กลางร่มลมนี่คืออนะไรคือธรรมะลมนี่สำคัญกว่ากว่าฆราวาสอาจจะมากกว่าพระอีกนะแล้วเนี่ยอย่าไปนึกว่าธรรมะที่มันเหมาะสำหรับพระไม่ใช่เหมาะสำหรับฆรวาสที่จริงไม่ใช่ฆรวาสนี่ทุกมากกว่าพระ เพราะฉะนั้นยก็ยั ง, ยงเป็นต้องมีธรรมะมากขึ้นธรรมะเนี่ยคารวะ น, นี่สูญเสียมากกว่าพระนะเพราะคารวะมีมากกว่าพระเมื่อมีมากก็ต้องสูญเสียมากอธตมานี่ไม่ไม่มีวันสูญเสียเพชรมินดาแล้วก็รถยนต์เป็นเด็กขาดก็ไม่มีอยู่แล้วแต่คารวะ น, นี่มีนและเมื่อมีโอกาสที่จะเสียก็มีมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะไว้เป็นเครื่องเป็นเครื่องป้องกันหรือคุ้มครองจิตใจก็จะทุกข์นะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ทุกข์นะเพราะว่าชีวิตมันจะไม่เป็นดังใจคนเราทุกข์เพราะชีวิตไม่เป็นไปตามใจตั้งใจจบสามปีครึ่งแต่ ดันไปจบ4ปีก็ทุกขนาด่าตัวตายก็มีนักศึกษาที่ทมายรายกรเงินกงเทก็่าตัวตายนะโดดตึกมาเพราะว่าเราอยากสอบเสร็จแล้วรู้ว่าตัวเองต้องต่อยเทอมหนึ่งคือต้องรับเว่าจบสามปีครึ่งไ้วนจบสปีก็โดดตึกตายมีสิวก่าตัวตายนะคือ อะไรที่ไม่ถูกใจเราถ้าเราวางใจไม่เป็นนะมันสามารถจะผลักให้เราทําร้ายตัวเองได้หรือเป็นทุกข์เจียนตายได้แม้แต่สิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เขาว่าไม่เป็นไรฮะแต่ว่าก็อย่าลืมธรรมะกแล้วกันและอย่าให้ธรรมะมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ธรรมะมเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเข้าใจสัมผัสได้ แล้วเราเองคุณทางธรรมะมากขึ้นมีคำถามปัจจุบันวัตถุทำให้เรามีความอยากมากอะไรที่สำคัญนอกจากตัวเราเองแล้วต้องดูแลผู้ อ, อื่นด้วยเช่นพ่อแม่ลูกญาติทำอย่างไรจะควบคุมตัวเองไม่ให้อยากคืออยากก็อยากได้นะฮะแต่ว่าให้มันมีความ ให้มีความพอเพียงนะคนเราอยากอยากไม่มีขีดจํากัดเพราะไปคิดว่าโดยว่าความอยากในวัตถุเนีเพราะไปคิดว่าวัตถุเนี่ยคือคือทั้งหมดของความสุขแต่ที่จริงความสุขจากวัตถุเนี่ยมันเป็นความสุขเบื้องต้นแล้วเป็นความสุข ที่ยังอยากอยู่มันจะมีความสุขที่ประณนี่กว่านั้นเป็นความสุขที่ดีกว่านั้นซึ่งไม่ได้เกิดจากวัตถุไม่ได้เกิดจากการเอาเข้าตัวไม่ได้เกิดจากการเสพการบริโภคแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการให้เกิดจากการความซื้อเกิดจากการสละความสุขจากการให้ทานก็ทําให้จิตใจปิติอิ่มเอิบความสุขจากการที่สละกความโกรธสละความในกระตัวก็ทําให้จิตใจโปร่งโล่ง ถ้าเราสัมผัสความสุขแบบนี้นะว่ามันมีความสุขที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งกว่าความสุขจากวัตถุและเราสามารถจะสัมผัสความสุขอย่างนั้นได้ด้วยไอความอยากก็จะน้อยลงนะความอยากจะน้อยลงไปความอยากในวัตถุก็จะน้อยลงไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เราได้รู้จักกับความสุขที่มันประณีตความสุขที่เกิดจากการให้ความสุขที่เกิดจาก ศรัทธานในสิ่งที่ดีงามความสุขที่เกิดจากสมาธิภาวนาความสุขที่เกิดจากความสนุกความสุขที่เกิดจากปัญญาถ้าเราได้สัมผัสความสุขแบบนี้บ้างเนี่ยใจเราก็จะอยากน้อยลงนะแล้วเราจะพอใจในสิ่งที่เรามีมากขึ้นนะปัญหาของคนทุกวันนี้ก็คือว่าเราไม่ใช่แค่อยากได้เท่านั้นอยากได้นี่ยังไม่เท่าไหร่นะยังอยากได้มากกว่าคนอื่น เวลาเราได้โบนัสสองเดือนดีใจใช่ไหมฮะแต่โบนัสสองเดือนใครก็ก็ดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนได้สามเดือนหรือได้สี่เดือนนี่ไอที่จิ้มจิ้มนี่หุบเลยน ะ, ะเพราะอะไรฮะเราไม่ใช่อยากได้อยากได้มากเท่านั้นถ้าเราอยากได้มากเนี่ยสองเดือน ก, ก็มีความสุขแล้วฮะปัญหาคือเราอยากได้มากกว่าคนอื่น เราก็เลยทุกเนี่ยเพราะคนอื่นมันได้มากกว่าเราแจกพ่อผมให้ชาวบ้านคนละผืนคนละผืนคนละผืนชาวบ้านดีใจนะแต่พอรู้ว่าบ้านหนึ่งก็าได้สองผืนนี่ทุกเลยทุกกว่าตอนที่ยังไม่ได้แจกพ่อผมเพราะอะไรฮะอยากได้มากกว่าคนอื่นคืออยากนี่ไม่แต่ลายนอยากนี่อย่ากนี่ยังไม่เท่าไหร่นะอยากได้อยากได้มากนี่ยังไม่เท่าไหร่นะพนักคนเราขึ้นมนอยากได้มากกว่าคนอื่นนี่ต่องมาคิดว่าจะต้องเริ่มต้นจากการที่ ไม่อยากได้มากกว่าคนอื่นอาตมาไม่ได้เรียกร้กองให้ลดความอยากนะอยากได้มากก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าถึงกับอยากได้มากกว่าคนอื่นเพราะนั่นแหละคือต้อนตอของความทุกขนะ์และนี่แหละแลวถ้าเราไม่ไม่มีความอยากได้มากกว่าคนอื่นนะ เราก็จะเริ่มพอใจในสิ่งที่เรามีเมื่อเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วความพอเพียงก็เป็นเรื่องง่ายและชีวิตเราก็จะมีความพอดีมากขึ้นพอเพียงพอใจพอดีนี่สามตัวนี้คู่กันเลยฮะเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีก่อนเราถึงจะพอเพียงแล้วเมื่อเราพอเพียงชีวิตเราก็จะพอดีการเรื่องความเจริวัตถุไม่ใช่เรื่องเสียหายนแต่ว่าให้มันได้ให้มันพอประมาณก็แล้วกัน แล้วก็ที่สำคัญคืออย่าไปอยากได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะได้มากมา ก, กว่าคนอื่นแล้วเพราะว่าถึงแม้เราจะมีเงินร้อยล้านพันล้านเราก็ยังรู้สึกด้อยเราก็ยังน้อยมีเงินน้อยกว่าคนที่เป็นเศรษฐีหมื่นล้านมีเศรษฐีหมื่นล้านคนหนึ่งในเมืองไทยนะวันวันหนึ่งทีแรกเขก็มีความสุขดีวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งแกก็ปบด่อสงแกบอกแกเห็นสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าผมมันก็เศรษฐีหมื่นล้านคนหนึ่ง ในเมืองแทบไม่ต้งห้า้อยคนเป็นเศษที่หมื่นล้านก็เลยไม่มีความหมายหนึ่งในห้าร้อยไม่สำคัญเลยไปไปไปไปเป็นนักการเมืองดีกว่าตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเลยเดี๋ยวไม่นานก็ุกอีกนะเพราะเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยต้องเป็นรัฐมนตรีประจกระทรวงเป็นรัฐมนตรีประจกระทก็ุกอีกอะเพราะว่าเป็นกระทรวงเกรดีเพราะเนกระทรวงเกรดเองะแต่สวรรค์ต้องเป็นนายกเป็นนายกก็ สมัยหนึ่งไมพอต้องเป็นสองสมัยสองสมัยไมพอต้องเป็นยีสิปีแล้วเมื่อไรจะพอยัต้องรู้จักระ ง, งับความความอยากเสบ้างวิธีระดับทุกทางใจเรื่องครอบครัวเช่นสามีมีภรรยาน้อยใช้หลักธรรมะไดนะอัตมาคิดว่าอย่างแรกคือว่าอย่าทําร้ายตัวเองก่อนคือการที่เขาทําการที่เขาทําร้าย การที่เขาทำร้ายจิตใจเรานี่ก็กเป็นเรื่องนึงก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะฮะแต่ว่าที่มันแยนะ่นั้นคือเราไปทํร้ายจิตใจตัวเราเองด้วยเราไปผสมลมด้วยนะอธิบายคิดว่าอย่างแรกที่จําเป็นต้องทำคืออย่าทํร้ายจิตใจตัวเองเขาทําเรานั่นนั่นเรื่องหนึง่งนะแต่ถ้าเราทํร้ายตัวเราองนี่มันแย่เข้าใหญนะ่ถ้าพูดแบบภาษาถ้าพูดแบบภาษาก็คือว่า โง่ยิ่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มีนะให้มีสตรยรู้เท่าทันความโกรธความเพียรบานะอย่าไปโกรธจะไปเปลี่ยดเขานะอาจจะให้อภัยเขาด้วยก็ได้แต่การให้อภัยไม่ได้ไหมายความว่าการหลับตาไม่รับรู้อะไรสิ่งที่เขาทานะกรละเรื่องนะการให้อภัยไม่ได้ไหมายถึงว่าการปล่อยให้เขาทําสิ่งที่ไม่ดีต่อไปหรือว่าปล่อยให้เขา เอละเมิดความถูกต้องหรือทํำลายาศักดิ์ศรีของเราห ร, หรือน้ําใจของเราต่อไปหรือว่าใช้ความใช้ความซื่อสัตว์ของเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องเหตุผลการแร้ทำไมจะต้องอยากทาร้ายตัวเราเองอันนี้เป็นข้อแรกประเด็นต่อมาคือว่าถ้าหากว่า คือหลักหลักธรรมะนี่ในทางพุธในทางศาสนานี่ก็จะมีบอกอยู่แล้วที่เรียกว่าคารวะศรธรรมคารวะสธรรมรสัจจะธรรมะขันติจากกะสัจจะคือความซื่อตรงความซื่อสัตย์นะอันนี้จะเป็นสลชีวิตคารวะมากโดยเฉพาะชีวิตครอบครั ว, ว, ว, วซึ่งเราถึงแม่ามีแล้วเนี่ยนะแต่ปั๊กต้องมีขันติด้วยขันติความอดทนแต่อดทนไม่ได้แปลว่างอมมืองอเท้านะฮะปล่อยให้เขาทําะไรสิ่งที่ไม่สมควรต่อไป เราต้องมีเมตตาขเขามีให้ไม่จะกให้อภัยแต่ว่าก็ต้องหาทางพูดคุยกับเขานะและเชนะเขาด้วยเอาชนะเขาด้วยความดีที่เราจากค่ะนี่จากค่ะคือการให้การสละอันะนี้ก็สําคัญความข่มใจธรรมะข่มใจในที่นี้ทำไม่ปล่าข่มใจแตที่จริงมันไม่ใช่แค่ข่มใจนะแต่ว่าการรู้จักทําในใจให้อยากคลาย ซึ่งรวมป็นการมีรู้จักให้อภัยด้วยอัตวัตรที่ว่าสำคัญมากสกจัดสัจจะธรรมะธรรมะทอทหารนะทอทหารมอมัสระสัจจะธรรมะขันติจักขะแล้วก็ความข่มความฝึกะธรรมะจริงนี่แปลว่าฝึกใจการฝึกใจไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียด น, นะแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้ในความดี และจะต้องหาทางที่จะที่จริงก็ต้องพูดคุยกับเขาไปให้เขาได้เข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ไม่ไ ม, ไม่สมควรทำํำแต่ต้องทําด้วยด้วยไม่ใช่ด้วยความโกรธนะไม่ใช่ด้วยความเกลียดและไม่ใช่ด้วยความดุริลอันนี้สําคัญมากแล้วก็คิดว่าคงพอสมควรกับเวลาแล้วนะครับ